วันนี้เป็นวันอุโบสถที่พวกเราฟังพระปฏิโมกจบลงสักครู่นี้เป็นวันเดือนเก้าดับปีส9พวกเราเข้าพรรษามาได้เดือนครึ่งพอดีวันนี้อีกครึ่งหนึ่งก็คงจะออกพรรษาเพราะนั้นพวกเราที่ได้มาอยู่ร่วมกัน ก็ให้สำรวจตรวจตราการเป็นอยู่ของพวกท่านทั้งหลายพวกเราทุกๆุกองอย่าให้ขาดทุกบกพ้องในหน้าที่เราเป็นพระในสีราชวัตรพระพุทธเจ้าท่านสอนว่ายังไงที่เราได้ศึกษาครูบาอาจารย์ท่านแนะนําอย่างไรหมู่พวกเพื่อนได้บอกกล่าวแนะนําเราอย่างไร เราได้รู้ได้ศึกษาโดยตนเองตามต ำ, ตำรับตำราเมื่อรู้แล้วเราควรปฏิบัติตัวอย่างไรอันนี้เขาอยากจะให้พวกเรา ท, ทุกท่านตรวจตราทบทวนในการเป็นอยู่ของพวกเราเมื่อทบทวนแล้วก็ตรงไหนที่ขาดตกบกพ่องแล้วตรงไหนที่สมบูรณ์บริบูรณ์ดีแล้วนี่ก็อยากจะให้ ประปรงแก้ไขในจุดที่มันบกพร่องถ้ามันปริบูรณ์แล้วดีแล้วก็พยายามคงไว้รักษาไว้ด้วยความภาคภูมิใจว่าเราไม่ได้ขาดตกบกพร่องในหน้าที่การเป็นพระของเราเพราะนั้นอย่าให้อย่าให้อยู่แบบทุกข์กทุกข์ใจให้อยู่แบบรู้เท่ารู้ทัน ให้อยู่เมื่อความสบายอกสบายใจการเป็นอยู่ของพวกเรานะเพราะนั้นอย่าไปอยู่แบบทนทุกข์ทรมานอยู่แบบมีหลักเหตุผลอยู่ด้วยหลักเหตุหลักผลอยู่ตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านให้อยู่ให้คิดให้พูดให้ทำ ผมว่าถ้าพูดตามแนวนี้แล้วถึงกิเลสภายในใจของเราจะดิน่นจะกระโดดดิ่นขนาดไหนก็คงจะไม่เหลือหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพราะท่านได้ใช้มาแล้วรู้มาแล้วเห็นมาแล้วปฏิบัติมาแล้วได้ผลมาแล้วท่านจึงนำมาสอนแต่พวกเราถ้าว่ามันยังเกินกว่านั้นไปแสดงว่าพวกเราปฏิบัติตนเองไม่ถูกกิเลสของเรา มันจึงออกนอกอคอกได้กระโดดนอกอคอกเพราะงั้นอนะ่ะกิเลสนอกอคอกนเพราะว่าเราสกัดไม่ถูกอเราสกัดในกิเลสภายในใจของเราไม่ถูกมันต้องมีจุดที่เล็ดลอดออกไปได้เพราะนั้นเราต้องดูดูตรงที่มันจะเล็ดลอดออกไปนะดูให้ดีน ะ, อ, ะอย่าให้ขาดตกปกพ่องในการเป็นอยู่อของเรา นั่นละอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายทุกๆ ท, ท่านที่เข้ามาบวชในครั้งนี้อย่าให้เปล่าประโยชน์แล้วก็ขอเตือนย้ำพวกเราทุกๆ ท, ท่านการอยู่ร่วมกันอย่าไปพูดอย่าไปยุแย่กันเล่นอย่าไปพูดหัวรับอ อ, ออกนอกลูก่นอกทางกระเช้ากระชี้กันพูดออกนอกลูก่นอกทางมันไม่ถูกเพราะเราเป็นพระแล้วเราก็ควรจะอยู่ในกรอบของหลักพระธรรมวินยัยเออ อย่าใ ห, ให้ออกนอกลูกนอกทางนะให้อยู่ในกรอบของหลักพระธรรมวินัยเพราะนั้นพวกเราทุกองค์ น, นะให้ดูให้รู้จักการเทศะรู้จักสูงรู้จักต่ำวัยวุฒิคุณวุฒิถ้ามีอะไรก็พูดตามตรงหรือว่าพูดอะไรได้โดยหลักพระธรรมวินัยแต่พูดกระเร้าเย้าแย่หยอกเล่นอันั้นาอย่าให้มีในวงการของพระกรรมฐาน คือการพูดก็ให้มีกรอบมีขอบมีเขตให้รู้จักกาลาเทศะบุคคลถ้าเป็นพระผู้เฒ่า ว, าวัยวุฒิปุณวุฒิคงแก่เรียนแล้วเราก็คงให้เกียรติเคารพอีกในระดับหนึ่งแต่เราก็ไม่ได้กราบไม่ได้ไหว้ถึงขนาดนั้นหรอกแต่ว่าให้เกียรติเพราะท่านาสูงอายุแล้วเราจะมาพูดมาหัวล่อสักกะซีกับพวกเรามันไม่ถูก แต่พวกเราบางทีมันยังเป็นเด็กไงใบไม้ร่วงใบไม้หล่นก็หัวเราะกันได้สนุกได้แต่คนแก่แล้วมันหัวเราะไม่ออกนะเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายให้รู้กาลเทศะบุคคลให้เคารพสิทธิ์ท่านมีอะไรก็ถามไทยแต่ว่าผู้สูงอายุท่านก็คงจะรู้จักประมาณตนอยู่แล้วว่าควรทำตัวอย่างไรกับผ้าน้อยผ้านุ่มกับวัดวาศาสานากับครูบาอาจารย์ ว่าท่านได้ผ่านน้ำร้อนน้ำเย็นน้ำร้อนน้ำเย็นผ่านร้อนผ่านหนาวมาแล้วผ่านการเวลามาแล้วคงจะรู้ว่าควรทํำยังไงปฏิบัติตนอย่างไรอันนี้ถ้าว่าพวกเราอยู่ด้วยกันถ้าว่ารู้จักการสถานที่บุคคลวางตัวให้ถูกแล้วความสงบพรมเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกแต่ผมก็เตือนเอาไว้ ให้พวกเราเตือนเอาไว้ไปอยู่ณสถานถิ่นใดเมื่ออยู่ในศาสนาไม่ได้อย่างพระนว ก, กะอย่างนี้เมื่อเราศึกออกไปเป็นครวัตเราก็ให้รู้จักว่าการวางตัวของเราควรจะวางตัวอย่างไรกับการสถานที่นั้นนั้นถ้าเรารู้จักการวางตัวแล้วอยู่ในสถานถิ่นใดก็สงบป่มเย็นเป็นสุขทั้งนั้นแหละแต่ถ้าหากว่าพวกเราไม่รู้จักการวางตัวความเดือดร้อนก็จะเกิดขึ้นกับตัวของท่านเองของเราเองนั่นะ ไม่เรื่องใดก็ต้องเรื่องหนึ่งแน่นอนเพราะว่าเราไม่รู้จักการวางตัวนะการวางตัวนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญนะการบริหารจัดการเรื่องบุคคลทาบริหารจัดการเรื่องบุคคลได้เนี่ยนั่นแหละแปลว่าสําเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วครึ่งค้อนหนึ่งแล้วเรื่องอย่างอื่นะมันทีหลังแต่ถ้างฝั่งคนไม่เข้าใจกันไปแล้วเนี่ยอย่าไปหวังเลย มีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายเกิดขึ้นในวงการนั้นๆเพราะนั้นเรื่องความคิดเห็นก็ดีความเข้าใจกันก็ดีการวางตัวก็ดีการแนะนำสั่งสอนให้ปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันก็ดีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จาเป็นสาคัญสาหรับการอยู่ร่วมกันแต่บางคนก็อย่างว่านั้นอะพอใจอยู่แต่ไม่อยากเข้าใจรู้อยู่แต่ไม่อยากจะรู้ทาเป็นอย่า ง, งานั้นแปลว่ากิเลสทั้งรุน ตัวนั้นเราครบไม่ได้อกิเลตัวนั้นทิฏฐินคือความเห็นมานะคือความแข็งกระด้างถ้าเป็นอย่างนั้นแปลว่าครบไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้ควรจะหลีกเลี่หนีให้ห่างหนีให้ห่างถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นแปลว่าภาราชนเออเป็นพราชนภาราปิสุเพราะงั้นเถอะมีอยู่ทุกยุคทุกสมัยมีอยู่ทุกยุคทุกสมัยถ้าเป็นอย่างนั้นแปลว่าไม่รู้จัก การวางตัวมันมีถึงจะมูพวกเพื่อนดีขนาดไหนตัวเองก่อนดันทุลังไปอย่างนั้นอ่ะอันนี้แปลว่าทิฏฐิมานะไม่ถูกอันนี้ก็ให้พวกเราตรวจตราดูตนเองทุกๆ ท, ท่านนะการอยู่ร่วมกันทํำยังไงมันถึงจะเป็นธรรมทําังไงถึงจะถูกต้องผมเองมีแต่แนะนําสั่งสอนมูพวกเพื่อนเท่านั้นอ่ะแต่มูพวกเพื่อนบางองค์อ่าจิตใจของผมไม่ได้รับความสงบจิตใจของผมมันร้อน จิตใจของผมวุ่นวายและจะทํำยังไงผมก็บอกแนะนําสั่งสอนอยู่แล้วให้ดูใจตัวเองให้อดนอนผ่อนอาหารทํำยังไงการฝึกตนฝึกตนอย่างไรตามแนวหลักของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาฝึกผมก็เคยฝึกมาอย่างนั้นอย่างการอดอาหารเนี่ยผมก็เคยอดอดเพื่ออะไรไม่ได้อดเพื่อตายไม่ได้อดเพื่ออยาก เราอดเพื่อดูใจของตนเองใจมันคึกใจมันเขนองมันเอาไม่อยู่มันล้งางไม่อยู่มันวิ่งไปตามตัวกิเลสโดยเฉพาะอย่างยริงคือกรารมัลาคะจะล้งางยังไงจึงจะล้งอยู่ถ้าตัวนี้ขึ้นมาขี่คอเราเมื่อไหร่เมื่อนั้นแ่ะเตืองพุ่นวัยเกิดขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นเราจึงได้พิจารณาดูแล้วไม่มีทางอื่นที่จะเอาชนะกิเลสตัวนี้ได้ก็ต้องพยายามอดนอนพ่อนอาหารอดอาหารผ่อนอาหารอ ถ้าพวกท่านทั้งหลายรู้สมัยก่อนผมเป็นยังไงลักษณะยังไงผมไม่เคยที่จะมีเนื้อมีหลังมาพูดง่ายๆเพราะเหตุหอะไรก็นี้่แหละเพราะนั้นพวกท่านทั้งหลายจะมาพูดว่าใจของผมไม่ได้รับความสงบไม่ได้รับความร่มเย็นผมก็บอกอยู่แล้วว่าจะทํำยังไงจะสู้ยังไงแต่เมื่อพวกท่านทั้งหลายกินตามอาเภอใจพูดตามอาเภอใจนอนตามอาเภอใจพูดคุยตามอาเภอใจคบค้า สมาคมตามอําเภอใจคิดตามอำเภอใจปรุงทุ้งซ่านตามอําเภอใจแล้วจะมาบว่นว่าจิตใจไม่สงบผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงให้แก่พวกท่านทั้งหลายเหมือนกันผมก็มีแต่แนะนําสั่งสอนว่าผมทํามาอย่างไรผมแนะนําอย่างไรแก่พวกท่านพวกท่านก็น่าจะฟังให้ถึงใจในเมื่อถึงใจแล้วก็นําไปประพฤติปฏิบัติผมมั่นใจเหลือเกินนว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์พูดถูกผมยังนํามาสอนพวกท่านอีกและให้พวกท่านทั้งหลาย ปฏิบัติอย่างที่ผมพูดผมว่าเมกิเลตตัวไหนจะหน้าด้านขึ้นมาได้ถ้าเราเอาชนะถ้าเราเอาจริงจังกับมันแล้วมันยอมราบทั้งนั้นแหละ เ, เว้นเสียแต่เราไปกราบตัวกิเลสอย่างที่ว่านเนีน่ย อ, อ, อยากจะคุยคุยตามอาเภอใจาไปที่ไหนก็คุยกันเรื่องสัพเพหเหะอะกินตามอาเภอใจมีอะไรกินเข้าปากเข้าท้องหมดไม่ได้เลือกว่าอาหารประเภทนี้เป็นยังไงไม่ได้สังเกตตัวเองเลยอนอนตามอาเภอใจ ไม่ได้เล่งความภาคความเพียรอะไรเลยปล่อยจิตปล่อยใจแต่ละวันแล้วมาบ่นว่าจิตใจไม่สงบจิตใจไม่ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขจิตใจเดือดร้อนพุ่นวายถ้าจะว่าแล้วจะทำยังไงผมก็สอนแล้วบอกแล้วว่าควรทำอย่างไรให้พวกท่านท้งหลายฟังเทปของผมย้อนหลังอีกก็ยังได้ผมสอนมาไม่รู้กี่ครั้งถ ก, กี่หนพิจนารณาอะไร พราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะที่ผมพูดให้ฟังเนี่ยฟังอย่างถึงใจผมแนะนำหมูพวกเพื่อนผมรับมาเพื่อจะแนะนาสั่งสอนให้หมูพวกเพื่อนปฏิบัติอย่างจริงจังจริงใจ อ, อย่างน้อยก็ให้ไร้รับความสงบทางด้านจิตใจอย่าไปปล่อยจิตปล่อยใจจนเกินไปถ้าปล่อยใจแล้วนั่นแหล ะ, ะผมเคยพูดอยู่เสมอเนี่ยปล่อยช้างเข้าป่าก็ช้างพีช้างพีคือช้างอ้วน ปล่อยตามอังเเผอใจแต่ว่าตัวกิเลสนั้นเป็นยังไงอถ้าปล่อยจิตปล่อยใจก็มีแต่กิเลสจะมาเหยียบเจําหัวใจกิเลสราคะโทสะโมหะกิเลสราคะนั่นอ่ะมันจะเหยียบหัวใจของเราเราจะเดือดร้อนวุ่นวายมืนมันอยู่ในศาสนาไม่ได้ที่นี่มันเดือดร้อนมันร้อนมันร้อนใจเอพอร่างกายมันทับถมร่างกายมันมีกําลังตัวเองก็ปล่อยใจมันกดประสานกันกับร่างกายร่างกายก็มีกําลังใจตัวเองก็ปล่อย อไม่ได้หักข้ามไม่ได้พิจารณาไม่ได้ปรับปรุงถ้าเห็นมรณะภัยอยู่ต่อหน้าต่อตาความตายอยู่ต่อหน้าต่อตาแล้วกิเลส ต, ตัวไหนจะขึ้นมาได้เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะที่ได้ยินได้ฟังนะปฏิบัติตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนให้พิจารณาอสุภะให้มากพิจารณาความตายให้มากจากนั้น อ, อดอาหารเอดจะตายหรือไม่ตายเราก็รู้แก่ใจหิวบ้างไม่เป็นไรไป ขันติคือความอดทนเราจะรู้ว่าเรามีขันติมากน้อยอย่างไงแค่ไหนถ้ามันจะตายเราก็รู้อยู่ไม่ใช่เหรอเราไมาฉันใช่เราอดรบมันเป็นยังไงถ้าไม่อดมันเป็นยังไงถ้าไม่อดมันก็เกิดอารมณ์อย่างนั้นขึ้นมาอ้าวเราต้องเดินโยกมันสิถ้ามันเป็นอย่างเต้นโยกมันทั้งวันไปไงเไงเอาชนะมันสิถ้ามันอดอาหารมันสู้ไม่ไหวเดินดูสิเอาเดินยูมันอ่อนล้าไปหมดแลนะ สู่ใจของเราสิผมว่าถ้าเราเอาจริงจังขนาดนั้นแล้วกิเลสหน้าไหนมันจะโผล่เข้ามาหาเราได้แต่ น, นี้มันหยอหยอแยะยแยะยหยอหยอเรื่องอยู่เรื่องกินมีเท่าไหร่ม้วนเข้ามาทั้งหมดปล่อยจิตปล่อยใจพูดคุยเห็นอะไรมองเต็มหูเต็มตาไปหมดเขขเขินเขินประมาทถจะเห็นผู้เห็นคนเข้ามาจิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัว ปล่อยจิตปล่อยใจออกไปข้างนอกอพอเห็นคนเข้ามากับสะดุ้งมันปล่อยใจออกไปมันเอร่และเหยเพราะมันคิดมันทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีมันไม่ได้ดูใจของตนเองอย่างนั้นใช้ไม่ได้นักปฏิบัติอย่างนั้นใช้ไม่ได้ให้คุณอย่างนั้นเลยปล่อยใจจนเกินไปถ้าว่าผู้มีสติกับตัวเองมีเรื่องอะไรก็ตามสติอยู่กับตัวเองการกระทําอยู่ตัวเองการเคลื่อนไหวไปมาอยู่กับตัวเองถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเอาตัวรอด นะรอดได้เแต่ว่าใจเห็นคู่คนเห็นอะไรมานะ่ะประมาเออไม่รู้จะทํำยังไงเอันนี้แปลว่าใช้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายทุกๆองนะอที่ผมพูดทางนี้ทางนั้นผมจริงจังนะผมจริงจังและผมจริงใจเอในการประพฤติปฏิบัติอืผมจึงพูดอยู่เสมอว่าเอถึงจั ก, กรวาลเนี่ยไม่ใช่แต่มนุษย์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะ คนในจักรวาลนี่ไม่นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ผมองค์เดียวจะนับถื อ, อ, อถึงขนาดนั้นแหละออผมเองจะมอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มอบกายถวายชีวิตต่อหลักเหตุผลความถูกต้องความเป็นธรรมเหตุผลอยู่ตรงไหนความเป็นธรรมอยู่ตรงไหนแต่พิจารณาดูแล้วหลักพระธรรมคำสงสอนของพระพุทธเจา้ามีเหตุผลจริงๆว่าเกิดแก่เจ็บตายมันทุกข์ขึ้นมาจากใจใจเป็นหัวหน้าใจเป็นใหญ่ ก็เห็นได้อย่างที่พระพุทธเจ้าพูดจริงๆไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นผมจึงเชื่อเชื่อในความคิดของผมที่นําพระธรรมคำสั่งสอนของพุทธเจ้ามาเป็นบรรทัดหรือว่าเป็นแบบฉบับหรือว่าเป็นแนวทางแนวความคิดเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะฉนั้นพวกเราท่านทั้งหลายทุกอง์นะก็ให้สําเหนียกํานึกเอาไว้นะคิดดูเอาไว้นะคิดดูให้ดีมันจริงอย่างที่ว่าไหม ถามว่าพวกเราท่านทั้งหลายปล่อยเออแล้เฮ้ยลอยลมไปเรื่อยๆเไม่มีจุดยืนเหมือนว่าเชือกขาดอีกสักวันหนึ่งพองลมก็แตกมันก็ยบลงมาหมดท่นนานอ่ะไปไม่รอ ด, ดอกงานท่านไวนั่นยาได้ปลี่นอย่างนั้นโลกวัะสงสารนี่เป็นยังไงไอ้พวกเราเห็นอยู่แล้วสนุกสนานเพลิดเพลิ น, เ, นเขาจะว่ามีความสุขขนาดไหนก็เถอะมันพูดอาแต่ลมปากออกเฉยเท่านั้นส่วนเรื่องของหัวใจแล้วใครจะหาความสุขไม่ได้นู่นมันปลายของชีวิตนะนะ เป็นยังไงเอ่กระเสือกกระสนตะลีตะเหลือมีความสุขไม่ถามด้ยสิเอาเงินให้ไหมงันจะได้เท่าไหร่หมื่นล้านแสนล้านเอาไหมเอ่กระเสือกกระสนตะลีตะเหลือกันเอาไหมมันไม่เอาอะไรทั้งหมดนั่นแ่ะเอ่แต่ยังมีชีวิตอยู่ยังนั้นอยู่กระเสือกกระสนอยากได้ทั้งหมดมิแต่อยากอยากอยากอยากอยู่ในอยู่ในหัวใจอแต่ถึงบัตรนั่นแหะเอาเอาไหมเอาไหมเอาให้ไหมเอาไหม เอาทางให้จั ก, กรวาลเอาไหมมันไม่เอาทางนั้นแหละออเพราะเหตุไรเพราะมันทุกข์จากนั้นใจขาดจบไปชาติหนึ่งน่แหละโลกมันเป็นอยู่อย่างนั้นหาความสุขที่ไหนได้เราคิดดูให้ดีก็แล้วกันนะต่อจ น, นี้ไปสวดท้ายปฏิโมก